ด้านเทคโนโล ย, ยียานยนต์ไฟฟ้าทิตรัสร์แสงบุญเกิดมีรายงานครับดรสุกิจนิติในอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพกับบริษัทสตองไทยแลนด์จำกัดและบริษัทบางกอกไฮแลนดจำกัด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 โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อมุ่งพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและทิศทางการพัฒนาประเทศไทยทิติระแสงบุญเกิดมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตือนคนไทยระมัดระวังการไปฝรั่งเศสเผยกรณีชายไทยเสียชีวิตจากเหตุกรายิงได้ประสานจัดที่พักให้ภรรยาผู้เสียชีวิตแล้วยืนยันช่วยเหลือเต็มที่ นายดอนปรารามัตวินันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุกระยิงประชาชนที่ตลาดคริสต์มาสเมืองสตาร์ทบรูคของฝรั่งเศสมีคนไทยเสียชีวิตหนึ่งรายจากรายงานที่ได้รับจากสถานทูตไทยทราบชื่อนายอนุพงศ์สืบสมานเป็นนักท่องเที่ยวที่เพิ่งเดินทางไปถึงฝรั่งเศสเมื่อวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมา จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้คนที่จะเดินทางไปควรติดตามสถานการณ์และระมัดระวังขณะที่กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงว่าได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูตณกกุงปารีสว่าเหตุการา์ยิงที่บริเวณตลาดคริสต์มาสเมืองสตาร์บุกนั้นมือปืนมีคนเดียวซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วแต่ยังจับกลุ่มไม่ได้โดยมือปืนอยู่ในประวัติของหน่วยงานความมั่นคงของฝรั่งเศสบัญชีรหัสเอสเป็นบุคคลที่รัฐต้องการตัว เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐซึ่งขณะ น, น, นี้ทางฝรั่งเศสยังไม่สรุปว่าเป็นการก่อการร้ายหรือไม่เยร์ก็ตามสถานเอกอัครราชทูตได้ติดต่อ ก, กับเครือข่ายชุมชนไทยในเมืองสตราบูก๊กเพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิน่นและจัดหาที่พักให้ภรรยานายอนุพงศ์และได้ประสานกับฝ่ายตำรวจเมืองสตราบู๊กอย่างใกล้ชิดปราฟังข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชชั่วมงคนทันเบุรีครับ